หนึ่งอาตมาแนะนาตัวก่อนเนาะอาตมาชื่อจานไผ่เดชโชติมันโตเป็นคนสกลนครอบวชมาก็สิบสี่พรรษาตอนนี้อายุสีิบสามปีนะทีนี้ถามโยมบ้างไม่ชีสมอนเนี่ยรู้จักอยู่่ะ แล้วโยมชื่ออะไรนะโยมชื่อสุธิวราค่ะสุธิวราอ๋อต้องสื่อยาวจายากนะไอ้ื้อเรียกบ่อยๆ้วก็จำได้นะโยมคำ้องยัตาตุค้องอ่าอากจะต่ อ, น, ตอ น, นั้นอพอออกที่รู้จักแล้วก็โยมสมพรแล้วก็ เนตยาค่ะม า, มาจากเอลเอมาจากเอเอนิตยาเหรอเนตค่ะเนตยาอ๋อมีแต่คนชื่อจำยากๆขัาดเลยเนาะพ <c oughs> ยายามจำบอสนะ้ออะไรจำชื่ออตะมาได้หรือเปล่าชื่ออะไรบอกเมื่อกี้เนี่ยนานเห็น<ด>ไหมท่านไพเดดหรือไรเดดคะ่ะไพไม่มีรอเรืออืมไพรนี่เป็นชื่อของเงินอะตะมาดูตามอ่าพจนานุกรม คำว่าเดดก็เราก็รู้อยู่แล้วลว่ า, าเป็นอำนาจพอผ่านน ะ, ะ, ะสราระไอพอผ่านก็วันนี้หลวงพอ่อจะพูดเรื่องการเจริญสติเนาะก็เราก็คุยกันไปปฏิบัติไปเรื่อยสบายๆนะต่อมาก็จะคุยไปเรื่อยคําว่าสตินี่ก็แปลว่าความระลึกได้ คำว่าละลึกนี่ก็คือเลืกอเห็นสิ่งที่มันปรากฏสิ่งทุกสิ่งจะไม่สามารถปรากฏพร้อมกันได้หากแต่ว่าผลัดกันปรากฏขึ้นในกายและก็ใจของเราเนี่ยอะไรปรากฏขึ้นแล้วเราละลึก เห็นสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นก่อนแต่มันจะดับลงไปอ่ะละลึกเห็นขณะไหนขณะนั้นชื่อว่าเจริญสตินะถ้ามันเกิดปรากฏแต่เราละลึกไม่ได้ก็ไม่ชื่อว่ามีสติถือว่าเป็นคนประมาทเป็นคนที่ตายแล้วนะคำว่าปรากฏก็คือในขณะาตาเกิดการเห็นขึ้น เห็นอะไรกัแล้วแต่เป็นแสงสีในขณะที่มันเห็นนั่นน่ะแน่นอนว่ามันต้องดับลงแต่ในขณะที่มันเกิดปรากฏการเห็นขึ้นที่ตาเนี่ยเราระลึกเห็นว่าอ๋อนี่เห็นแล้วเห็นอ่าบางสัญญากว่าเห็นหนอระลึกคือรู้ระลึกรู้ในขณะที่มันเห็นก่อนที่มันจะดับลงนั่นคือสติ ที่กายไอที่ดวงตาทีนี้ทางหูนะ่ะมันจะเกิดในอยนายตนะทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นไก่ใจทางหูนี่ก็การได้ยินได้ยินเนี่ยที่เรารู้เรื่องนี่เพราะว่าอ่ามันดับไปถึงรู้เรื่องถ้ามันไม่ดับมันก็ไม่รู้เรื่องนะคาว่าดับไปก็คือสมมุติว่าพูดว่า อ่าผมหิวข้าวนี่ผมก็คำหนึง่งหิวก็คำหนึง่งข้าวก็คำหนึง่งผมเกิดขึ้นอเสียงเกิดขึ้นที่หูก็ดับไปหิวก็เกิดขึ้นต่อแล้วก็ดับไปข้าวก็เกิดขึ้นต่อแล้วก็ดับไปเป็นเสียงเป็นความหมายเกิดที่หูเราระลึกได้ขณะนั้นที่มันเกิดปรากฏขึ้นก็เป็นได้ยิน ได้ยินหนอหรือว่าสักแต่ว่าได้ยินหรือว่ารู้ว่าได้ยินและลึกได้ว่ากาลังได้ยินในขณะที่มันเกิดปรากฏขณะนั้นชื่อว่าเจริญสติกายก็เหมือนกันเรายกมือนี่นะในขณะที่มันไหวนี่ก็ถือว่าเป็นการเกิดปรากฏเมื่อเราละลึกเห็นว่ากาลังไหวอยู่ พลิกมือขึ้นก็รู้นะยกมือก็รู้เนะี่ยเอาเข้ามาที่สะดือก็รู้นะแล้วก็คว่ำ ม, มือลงก็รู้อย่างไหมในขณะที่มันเกิดปรากฏรู้สักแต่ว่ารู้รู้เฉยๆในขณะที่มันเกิดปรากฏจะไม่ประกอบด้วยอดีตแล้วก็อนาคตการรู้รู้ในขณะปัจจุบันบางทีหูเรามันไม่เกิด มันมันไม่เกิดมันไปนเกิดที่มืออย่างเงี้ยความรู้สึกเราก็ระลึกระลึกรูกอ้อันนี้ที่กายที่ใจก็เหมือนกันจริงๆแล้วมันทั้งหกนะอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจลิ้นก็ที่ลดเวลาสัมผัสลดหวานเกิดขึ้นกระดับลงหรือว่าเราทานน้าร้อนน้าร้อนเกิดขึ้นเราก็ดับลง แปลว่าเราระลึกกลิ่นในขณะที่มันเกิดรู้ออย่างเงี้ยกายใจก็เหมือนกันจมูกก็เหมือนกันกลิ่นหอมเหม็นที่มันปรากฏอ่ะใจความคิดความนึกนี่ก็ใช่นะมันเกิดปรากฏขึ้นมาแล้วก็ดับลงแล้วก็ระ ล, ลึกไปเรื่อยๆอยนะเห็นเนืองๆเนืองๆทาต่อเนื่องจากที่รู้บ้างไม่รู้บ้าง ก็ค่อยๆรู้ขึ้นไปเรื่อยๆรู้ทีละนิดทีละนิดขึ้นไปเรื่อยๆก็เป็นพระละเป็นกำลังเป็นอินสีห้าพะละห้าแล้วพอมีกำลังแล้วก็มันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณมัวอยู่มันก็เริ่มจะใสขึ้นในเมื่อใสขึ้นอะไรเกิดปรากฏ มีปูมีปลามีหอยอยู่ในน้ําอ่ะที่มันคุ้นๆมันก็เริ่มเห็นถ้าสิ่งนั้นคือรูปนาำมันก็เริ่มเห็นชัดนะนี่เนี่ยทีแรกก็ดูอยู่ระลึกอยู่คําว่าระลึกก็ระลึกเฉยๆแต่ยังไม่เห็นนยังไม่เกิดญาณอะไรทําไปเรื่อยๆพยายามทําไปเรื่อยๆนั่นแหละพอเราทําไปเรื่อยๆมันก็เกิดพลังขึ้นมา มันก็จะรู้พอคําว่ารู้แหละถึงตอนนั้นเลยที่ว่าเป็นผลที่เกิดนะจากการปฏิบัติผลเกิดจากการปฏิบัติการมีสติก็จะเห็นรูปเห็นนามอปรากฏชัดอย่างเงี้ยคาว่ารูปก็คือถ้าเป็นถ้าเป็นการเห็นที่ตาเนี่ยก็ เป็นเนี่ยเป็นเป็นสีเป็นแสงเป็นรูปนะคาะว่านามนี้ก็คือการรู้การเกิดขึ้นของสีของแสงอ่าสีกับแสงถ้าไม่มีตัวรู้สีแสงก็ไม่ปรากฏอ่าถ้าไม่มีตัวรู้ปรากฏแสงสีก็ไม่ปรากฏ ถ้าไม่มีสีมีแสงตัวรู้ก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นแสงกับสีกับตัวรู้เนี่ยที่เราเห็นกันอยู่นี่นะสิ่งทั้งหมดนั่นก็คือรูปนามแล้วรูปนามก็จะเกิดดับตลอดเวลานะตาเกิดบ้างหูเกิดบ้างจมูกเกิดบ้างลิ้นเกิดบ้างใจเกิดบ้าง เ, าเหมือนสายฟ้าแลบสัญญาณอย่างนั้น เกิติดติดติดติต่ต่อกันไปนอันนี้ก็ไม่ใช่เราอันนั้นก็ไม่ใช่เราทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่มันมีอยู่ก็เท่ากับไม่มีมันว่างในตัวของมันเรียกว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนะคําว่าตัวคําว่าตน ก, ก็คือสิ่งที่เป็นก้อนสิ่งที่มีอยู่นสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่มีอยู่แต่สิ่งเหล่านี้แม้แต่ตัวมันเองก็ไม่ใช่ตัวมันเอง ม, มันมันมีเท่ากับไม่มีออะเ ถ้าจะว่ามันไม่มีก็ถูกถ้าปัญญาเห็นนะปัญญาเห็นว่ามันไม่มีอย่างนี้ก็ถูกปัญญาเห็นว่ามันว่างอย่างงี้ก็ถูกแต่ถ้าปัญญาเห็นว่ามันมีนะไม่ถูกแนะนะ่เนี่ยมีนั่นบ้างมีนี่บ้างเป็นนั่นบ้างเป็นนี่บ้างตัณหาทั้งหมดเพราะตัณหาก็มีความมีความเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนันกนมันเป็นเป็น ส, สิ่งที่ผลที่เราเห็นจากการปฏิบัต นะแต่ถ้าพูดถึงสติก็มีเรื่องไม่มากที่อย่างที่พูดไปแล้ว เ, เลือกเข็นในปัจจุบันเราเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านัง่งยืดก็รู้ว่ายืนนอนก็รู้ว่านอนนี่เรียกวา อ, อริยบทสี่อาตมาในชอบอริยบทนี้นะอริยบทนั่งพอเรา ตั้งจิตไว้ว่านั่งก็รู้ว่านั่งอะแล้วเห็นชัดขึ้นมาอะไนี้เห็นชัดว่านั่งก็รู้ว่านั่งพอรู้ว่านั่งแล้วมันก็จะเห็นจากนั่งก็รู้ว่านั่งเลยเห็นความรู้สึกในการนั่งการไหวเลยเนีย่มันก็เลยเป็นเห็นกายเห็นวทนาปึ๊บปๆ๊ปไปเลยอย่างนี้นะอ่าแล้วก็ชัดทิงที่เรเห็นมันดับนี่ก็เออดีจิตมันก็สงบเร็วพอสงบเร็วแล้วก็เย็นสบายเลยนะ าการปฏิบัติก็ง่ายไม่ลําบากแต่ว่าสิ่งสิ่งสิ่งเนี้เคยแนะนําหลายคนแต่ว่าเขาเขาทําไม่ได้เหมือนเราอนะว่าเอ๋อมันอาจจะจริดไม่เหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าวิธีปฏิบัติตัวเนี้อ่ะมันสบายมันไม่ลําบากไม่อึดอัดเหมาะสําหรับคนชอบสบายสบายเย็นสบายอย่างนั้นเลแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกบางทีมันเย็นสบายมันก็คือความไม่สบายนั่นเองอะ่ะอ่า สิ่งสำคัญมันเป็นอย่างนั้นยัมไปเป็นไหมนั่งไปแล้วบางทีก็เกิดปิตินะเบากายเบาใจอย่างเงี้ย อ, อิ่มเ อ, อิบนะขึ้นมาแล้วก็เออบางทีล้วก็อยากจะให้อาการอย่างนั้นมันทรงอยู่ตลอดอย่างเงี้ยแต่พอนานๆไปแล้วที่ไหนได้มันก็เบื่อมันเเหมือนเราทานข้าวทานอาหารอร่อยทุกวันทุกวัน วันหนึ่งก็เบื่อเหมือนกันไม่งไงไม่ทีว่าเ <c oughs> ออเพราะฉะนั้นแหละก็เราจเจริญไปเรื่อยๆในะเรื่องสตินี่ดีดีตรงไหนดีตรงที่ว่าถ้าเรามีสติเราคุ้มครองตัวเราได้เดี๋ยวนี้เรามักจะไหลไปกับเรื่องที่มันเกิดที่ตาที่หูจมูกนี่นะลินกายใจเนี่ยพอมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ไหลไปกับมันนั่นแหละ แล้วเราก็ไม่รู้เรื่องว่ามันคืออะไรกันแน่เหมือนกับน้ำไหลอ่าเพราะฉะนั้นคนมีชีวิตจิตใจนี่มันก็ต้องมากำหนดรู้ตรงนี้เลยทำไปเรื่อยๆ เ, เรียกว่าภาวนานะทำให้มีให้เป็นขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆการปฏิบัติธรรมถ้าเราทำเราละเลยๆมันก็ไม่เกิดผลนะพอไม่เกิดผลแล้วเราก็ท้อ พอทอนี่ก็จะมีความคิดว่าบุญวาสนาเราน้อยเป็นอย่างนั้นอ่ะไลยคนที่เป็นอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันมันเป็นสิ่งที่เรายังไม่ตั้งใจดีๆมันต้องถึงขั้นกับว่าต้องเอาสักตั้งอ่ะอ่าต้องใช้ความพยายามความเพียรว่ามันได้แน่เราต้องมั่นใจในตัวเราว่าได้แน่เหมือนสีไฟนะ อาตมานี่เคยเคยสีไฟนะอ่าสมัยตอนนั้นเรียนมัธยมอยู่ทีนี้กลับจากโรงเรียนแล้วก็ไปที่นาแล้วไม่มีไฟอะ่ะอ่าก็เลยเอามาสีได้ยินเลยครับว่าสีสีเอาไมา้ไผ่มาแล้วก็ขูดอ่าฝอยให้มันเป็นฝอยๆนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ให้มันตั้งตะแคงขึ้นทําเป็นเหลี่ยม ล้วตั้งตะแขงขึ้นเอาเท้าสองข้างนี่ยยันไว้แล้วอีกตัวหนึ่งก็เอาประกบลงไปข้างบนพร้อมกับไอ้ขี้ฝอยที่เราขูดๆนะเป็นไม้ไผ่ทั้งหมดแล้วก็ถูถูว่าต้องเอาให้ได้แน่แหละถูไปถูมาถูจนเหม็นไหมมันยังไม่เกิดนะเออท้อมันกันแหละมีความรู้สึกท้อเลยว่าเป็นงไงแต่รเราก็ทำไปเรื่อยๆนะ แต่เพราะมันจะเกิดมันวุบขึ้นมาแป๊บเดียวอ่ะอ่าแล้วก็เป็นไฟเลยที่แรกมันเป็นควันก่อนแล้วก็เป็นเป็นแสงแต่ว่ามันไม่ไม่ไม่ลุกอ่ะทีนี้มันก็ลุกขึ้นมาปุบเออมันมันได้จริงๆอาตมาเนี่ยเคยได้เรื่องสีไฟเคยลองแล้วแล้วก็สําเร็จมาแล้วเกิดจริงได้จริงนะเรื่องสีไฟมันเหมือนกันกับปฏิบัติธรรมเนี่ยอ ถ้าเราสีไปบางทีก็ตืดๆวันนี้พรุ่งนี้มาตึดตืดๆ้นใหม่มันอุ่นๆแล้วก็เลิกเงี้ยมาใหม่มันก็อุ่นๆใหม่มันต้องชนิดที่ว่าเน้นแล้วเน้นเน้นแล้วเน้นแล้วก็ตั้งใจจริงๆอ่ะจิตอยู่ในนั้นอย่างเดียวเลยเออคือมั่นใจว่าต้องทําให้ได้อย่างเงี้ยแล้วมันก็เกิดผลกันมาการปฏิบัติธรรมจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าไฟมันจะมีไหมไม่ต้องคิดว่า อ่าบุญวัสนาเราน้อยทำบุญมาน้อยหรือว่าโอ้ชาตินิพัญญาน้อยไม่ต้องคิดเลยแล้วทำไปเรื่อยๆถึงเวลามันเกิดเอง อ, ะอ่ะเดี๋ยวนี้มันก็เหมือนกับเราเริ่มทำก็มันก็เราสีไฟไปทีละนิดทีละนิดะมันก็เริ่มอุ่นเริ่มแล้วบางคนอาจจะเป็นควันแล้วก็ได้เพราอว่าใหญ่ทีไม่ใช่ลูกเป็นไฟเล้วเลยเกิด <c oughs> เป็นไฟ มันก็มีนะคนปฏิบัติใหม่ว่าเห็นรูปนามก็มีอาจจะมีปฏิบัติไปเรื่อยๆก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนี่แหละอาตมาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ปฏิบัติอะไรมากมายนะอยู่เฉยๆบางทีมันเป็นลืมๆอ่ ะ, อะวันนี้ขึ้นไ ป, ป็นนั่งมันหนาวเราขึ้นไป น, นั่งอยู่ที่อตู้ อ, อู้นั่งในนานนั่งสองสามชั่วโมงอ่ะนั่งอยู่อย่างนั้นรู้สึกดีนะอาตมา แต่ไม่ได้ทำอะไรไ ม, ไม่ได้ไหวนั่งเพราะว่าดูส่ว่ากก็ดูใจอย่างเงี้ยมันก็ดีวันเนี้ยวันนี้เริ่มต้นจากการไม่มีอย่างงี้นะทุกสิ่งไม่มีอย่างเงี้ยอ่าก็เลยเ อ, อรู้สึกดีดีนะวันนี้มีความรู้สึกดีมันเป็นอยู่นานแล้วก็นั่งเลยนานไม่เมื่อยมันเราก็ละเลิกไดนะ้เวลามันเกิดปรากฏนะ่ะ พอเราไปดูความเคลื่อนไหวมีสติลงไปในกายอย่างนี้คําว่ากายที่ก็คือความเคลื่อนไหวลมหายใจก็ใช่ท้องก็ใช่หรือเราเคลื่อนไหวก็ใช่พอเราละเลิกไปพอพอดูเข้าไปดีๆแล้วความเคลื่อนไหวมันก็หายไปอย่างเงี้ยพอหายไปแล้วก็มันเป็นความรู้สึกเอาไปดูความรู้สึกี่ยความรู้สึกก็หายไปอีกมันก็เลยไม่มีจริงๆทีนี้เรเหลือแต่ความคิดไปดูความคิดความคิดก็หายไปอีก ก็เไม่มีอะไรอ่าก็เละลือดเละได้อยู่อย่างอย่างนั้นน่ะมันเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยมันก็สบายตรงนั้นแหละคือมันเป็นอิสระอ่ามันเป็นอิสระบางทีหรือบางทีมันมีมันก็เท่ากับไม่มีอ่ะมันมันเหมือนกับว่าเราไม่ให้ความสําคัญไม่ให้ไปเพ่งไปเลงอะไรมันไม่ไปจับไปช่วยมันก็มันก็อยู่ของมันอย่างนั้นน่ะมันก็คงจะเหมือนกับนี่แหละอ่ามะนาวมะนาวนี่ก็ มันเปรี้ยวก็มันก็อยู่เรื่องของมันเราไม่ได้เอาลิ้นไปแตะมันพอลิ้นไปแตะมันเท่นั้นแะมันถึงเปรี้ยวอย่างเงี้ยอ่มันก็เลยเออถ้าเราไม่ไปไปอยู่ในฐานะที่ว่ามันมีพลังมีกําลังนี้ไม่ไปคล้องมันเนี่ยมันก็อยู่ในภาวะที่ว่าเป็นอิสระจากการเปรี้ยวก็เป็นอิสระจากทุกนั่นเองเป็นอิสระจากสิ่งที่มันเกิดปรากฏน่ะเรียกว่าทุกหรือว่าสัจจะ หรือว่าอาสวะก็ได้สิ่งที่เกิดปรากฏทั้งหมดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะถือว่าเป็นอาสวะทั้งหมดทีนี้ถ้าเราเป็นอิสระมันก็ก็ไม่ก็ดีตรงนั้นมันไม่เป็นทากหรือว่าไม่ไปคุกกับสิ่งที่เรียกว่าเกิดแล้วก็ดับถ้าเราไปคุกกับมันก็เหมือนเราลงไปในน้ําน้ำไหลไปทางไหนแล้วไปทางนั้นอย่างนี้ทุกขณะก็เป็นความระลึกได้ทั้งหมดนะอ่าเป็นสติ แต่ถ้ามันระลึกไม่ได้มันคืไม่มีสติมันก็ดับไปมันก็เป็นอย่างนั้นก็ธรรมดาของมันอมันก็มีขึ้นดับลงมีขึ้นดับลงทุกสิ่งที่เกิดปรากฏขึ้นดับลงที่ว่าทุกหมดะถ้าถามว่าสตินี่เป็นทุกมั้ยมันก็ทุกเหมือนกันนั่นแหละเพราะมันก็เกิดขึ้นมันก็ดับลงอย่างเงี้ยอแต่เราก็ต้องมีก่อนเพื่อจะใช้เพื่อจะอเหมือนกับเป็นเรือแล้วก็ข้ามฝั่งไปอย่างเงี้ย ท่านบอกว่าอย่างมักผลนี่ก็มีไว้เพื่อจะอเหมือนกับเป็นเรือข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นเมื่อขึ้นถึงฝั่งแล้วก็ไม่ต้องแบกเรือไปด้วยแต่เราก็ทำเรือก่อนตอนนี้ทำเรือไปก่อนมันก็เป็นเรื่องที่ยังไงก็ไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงเนาะมันไม่เที่ยงทุกอย่าง เราคิดว right, so right, mm ่าอันนี้มันใช่ล่ะสิ่งที่เรียกว่าใช่ล่ะมันก็ไม่ตั้งอยู่อ่ะมันก็หายไปอีกทีนี้เราก็อยากได้มันมาแล้วก็สร้างขึ้นมาอีกสร้างขึ้นมาอีกมันก็ด้วยความไม่เที่ยงมันไม่ตั้งอยู่มันก็หายไปอีกอะไรสิ่งเหล่านี้มันก็เลยเป็นเป็นสิ่งที่เราเนี่ยขนขวายหาอยากได้มาอยากมีอยากเป็นแท้จริงมันก็ไม่เป็นมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงตามธรรมดาของมันทําไงแเราถึงจะเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้ เห็นตัดสิ่งเหล่านี้ว่าแท้ที่จริงนันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยแต่ตัวนี้มันก็เป็นผลของปัญญาแล้วที่เกิดจากสติอหละความระลึกได้แล้วความระลึกได้คําว่าสตินี่บางทีนี่มันถ้าเราไม่อยู่ในฐานะที่ว่าหลุดพ้นเนี่ยมันจะไม่เกิดสติอะถ้าเราอยู่ในฐานะที่ว่าเราคุกคีเนี่ยมันจะไม่เกิดพอมันจะเกิดมันก็คือ คือหลุดพ้นกว่ามันถึงเกิดเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเราจะระลึกลมหายใจได้เนี่ยเราต้องหลุดพ้นจากลมหายใจเราถึงจะระลึกมันได้หรือว่าเรายกมือเนี่ยความเคลื่อนไหวเนี่ยเราต้องไม่ไปอยู่ในความเคลื่อนไหวอ่ะเหมือนกับว่าความเคลื่อนไหวก็อันหนึ่งไอ้สิ่งที่ระลึกได้ก็อันหนึ่งมันกับหลุดพ้นมาถึงจะถึงจะเห็นถ้าเกิดกระโดดเข้าไปอยู่ในนั้นก็ไม่เห็นมันจึง ไปตรงกับที่ว่าท่านว่ามักคําว่ามักนะีกน่พูดถึงแล้วมันเป็นโลโลกุตระนะมักสี่พลสี่นิพานหนึ่งเรียกว่าโลกุตะระคําว่าโลกุตระก็คือไม่คล้องสิ่งใดเลยที่เป็นโลกียะเพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยก่็จะถึงมักนี่มันอยู่ในโลกีทั้งหมดเลยไม่ไว่าจะเป็นสติประธานสี่สัมมปทานสี่ อิทิบาสีอินซีห้าพละห้าแมแตโตชงเจ็ดเนี่ยก็เป็นเป็นโลกีหมดเลยเป็นสิ่งที่เราต้องคุกคีต้องมีต้องเป็นต้องทำต้องทำให้ปรากฏให้มีแต่พออริยมรรคเมยงแปดแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ข้องอยู่กับสิ่งที่เกิดปรากฏทั้งหมดแต่สติก็ตามนะไม่ได้อยู่ในสติเลยมันออกไปจากสติอ่า แล้วมันก็เลยเป็นเป็นมรรคคือไม่คล่องเป็นอิสระจากทุกสิ่งอ่ะสิ่งเหล่านั้นาอาจจะมีอยู่ก็ได้สติแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไปอยู่กับมันอ่ ะ, อะเป็นอิสระจากสติเพราะฉะนั้นสติมันก็คือสติสติชอบมันก็คือสติชอบอเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอิสระไปไปแล้วอะอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเรายังคลุกคีหรือว่ายังทําให้มีให้เป็นมีเจตนาการกระทําอยู่ได้ชื่อเป็นกรรมทั้งหมดเลยอ่ะ กรรมในการกระทํากรรมในการกําหนดกรรมในการอ ย, านนอย่างนู้นอย่างนี้ทั้งหมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นในลักษณะที่ว่าอิสระจากการกระทําทั้งหมดนั่นก็คือเราอยู่ในมรรคแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเป็นชอบหมดเลยนะสติก็ชอบสัญญาก็ชอบนะพูดจาก็ชอบเลี้ยงชีวิตก็ชอบอยู่ในนั้นเทว่ามีองค์แปดนะ เราต้องเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้มันถึงจะได้ชื่อว่าชอบถ้าเราไป ค, กคุกคลุกคีแล้วชื่อว่าไม่ชอบทั้งหมดอ่ะไม่ไม่ใช่มักด้วยยังยังเป็นโล ก, กีแต่ถ้าเป็นอิสระมันจะเป็นโล ก, กุตระเพราะฉะนั้นในการยกยกมือของเราเนี่ยคำว่าสตินี่ก็ให้เราเป็นอิสระนะอิสระจากการยกอย่าเข้าไปยึดถือ ดูก็ให้ดูช้าๆถ้ารู้ก็อิสระจากการรู้สักแต่ว่ายกนสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าทำให้ให้ทำคล้ายๆกับเหมือนกับเครื่องซักผ้าเนี่นะเราไปกดปุ่มมันปุ๊บแล้วมันจะทำงานไปเองเนะี่ยังนั้นในการยกมือนี่ ให้ใ ห, ให้ให้ทําคล้ายๆกับเราไปกดปุ่มซักผ้าคือเรายกไปเลยเหมือนกับว่าให้มันเป็นไปเอง อ, ะอ่ะอเราไม่มีเจตนาเข้าไปทําอะไรให้มันเป็นไปเองนะหรือว่าในการเดินก็ตามพอเราตั้งจิตว่าเดินนะก็ให้ให้เหมือนกับเรากดปุ่มเครื่องซับผ้านี่มันก็ทาไปเองคําว่าทําไปเองคือขามันเดินเองใจมันสั่งเองรู้มันก็รู้เองไหวมันก็ไหวเอง ไปถึงทางสุดมันก็หยุดเองกลับหน้ามันก็กลับเองเดินมามันก็เดินเองทุกสิ่งมันทำเองหมดนะเหมือนเครื่องเสื้อผ้ามันทำเองอ่ะแต่ให้เราตั้งไว้แต่ทีแรก่นะเรียกว่าสมาทานนะสัจจะตรงนั้นแล้วก็นั่นแหละมันจะระลึกเห็นเนืองๆเนืองๆเป็นสติที่ถูกต้องนะเวลานั่งเหมือนกันเราก็รู้เฉยๆนั่งไว้ตั้งใจว่าจะนั่งนะ แล้วก็ให้มันนั่งเองความคิดก็เหมือนกันมันจะคิดมันจะอะไรก็ปล่อยมันคิดไปเราไม่เข้าไปข้องอย่างเงี้ยคือทําลองดูทําดูก่อนทีแรกๆเราจะทําได้ไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ให้ลองทําดูก่อนพอเราทําไปทําไปแล้วเราจะจับจุดได้นะว่าอ๋อแต่ที่จริงแล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดว่าท่านทั้งหลายจงทาความ ไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเนี่ยคืออาการอย่างนี้นี่เองแล้วเวลาเราป ฏ, ปฏิบัติในครั้งต่อไปต่อไปต่อไปก็จะจับจุดได้ทันทีไม่หลงนะอุปมาเหมือนกับคนตาดีเนี่ยเมื่อมีตาแล้วอยากเดินทางไปทางไหนก็เดินได้แต่ถ้าตาบอดแั่อย่างเดียวแล้ว ทิศทางก็ไปไม่ถูกปัญญาก็ไม่มีสติก็ไม่มีคือมืดไปหมดอแต่พอเราอยู่ในฐานะที่ว่าเออมีรู้หลักปฏิบัติละจับจุดได้แล้วละ่ะอนั่นแหละจึงเรียกว่าเรามีตาแล้วปฏิบัติเองก็ได้แล้วไม่ต้องพึ่งพาครูบาอาจารย์แล้วก็เลยต้องเอาใจใส่สักนิดนึงนะ ว่าไอ้ที่เราทําอยู่เนี่ยจุดที่มันถูกต้องมันอยู่ตรงไหนอย่างยกมือเนี่ยอันไหนที่เรียกว่าสติอันไหนที่เรียกว่าสติชอบอ่าก็คือละลึกรู้นั่นแหละละลึกรู้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเคลื่อนไหวอ่ารู้ก็คือสักแต่ว่ารู้ เคลื่อนไหวก็สักแต่ว่าเคลื่อนไหวคิดก็สักแต่ว่าคิดมันก็ทําของมันอยู่อย่างนั้นเหมือนมันเป็นเครื่องจักรเหมือนกับไม่ใช่เรานะเหมือนกับมันเป็นสิ่งอื่นเห็นอยู่รู้อยู่เนึองๆรู้อยู่เห็นอยู่แล้วก็ปล่อยอยู่อานะตมาได้คําศัพท์นี้มานะรู้อยู่เห็นอยู่ปล่อยอยู่คําว่ารู้อยู่ก็คือรู้ ว่ากำลังกำลังไหวมือไปตรงไหนตรงไหนมือซ้ายมือขวาเห็นอยู่ก็คือเห็นว่ามันไหวอยู่ทั่วถึงทั่วพร้อมว่ามันไหวอยู่ว่ามือไหวคาว่าปล่อยอยู่ก็คือเป็นอิสระจากการไหวนั้นจากความรู้นั้นเหมือนกับมันเป็นเองอย่างเงี้ยก็เลยรู้อยู่เห็นอยู่ปล่อยอยู่ รู้อยู่เห็นอยู่ปล่อยอยู่ทำไปด้วยรู้อยู่เห็นอยู่ปล่อยอยู่อังทีปัญญามังโพงขึ้นมาอ๋อรู้อยู่เห็นอยู่ปล่อยอยู่เข้าล็อกป๊อปเลยเนะี่ยกับอีกอย่างหนึ่งก็คือรู้ตามที่เป็นจริงไม่ใช่ทำให้มันมีให้มันเป็นรู้ตามที่เป็นจริงเป็นจริงยังไงลนะ่ะมือยกก็จริง มือความก็จริงมือไหวก็จริงกระพริบตาก็จริงความคิดมีก็จริงหายใจเข้าหายใจออกก็จริงทุกสิ่งจริงหมดแต่เรารู้ตามที่เป็นจริงไม่ใช่ว่าเราทำให้มันมีให้มันเป็นไม่ใช่เราเป็นคนหายใจเข้าไม่ใช่เราเป็นคนกาหนดรู้ไม่ใช่เราเจิตนายกให้รู้ความมือให้รู้รู้อยู่เห็นอยู่ ปล่อยู่กับรู้ตามที่เป็นจริงไม่ใช่ทําให้มันมีให้มันเป็นคือว่าคือเป็นการกระทําปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นกรรมทันทีพอเป็นกรรมแล้วก็มันจะไม่เป็นอิสระพอไม่เป็นอิสระจากสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ระเลิกไม่ได้อาจจะละเลิกได้แต่เป็นระเลิกที่ไม่ไม่ถูกนะคําว่าระเลิกถูกต้องหรือสัมมาสติต้องเป็นเป็นอยู่ในขณะอิสระ พอเราไปถึงจุดนั้นแล้วเราจะได้คําตอบเองแหละว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอิสระมันจึงเป็นสติโดยแทรู้อยู่เห็นอยู่เห็นมันทุกสิ่งเป็นเหมือนคนอื่นอ่ะพอถึงตอนนั้นแล้วก็จะไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีสิ่งของคะเป็นเดชภาวะไหวไปเรื่อยๆเกิดเรื่อ ย, อยดับเรื่อยๆอยตามภาษาของอ่า ัญญาโกนธัญญา น, นั่นบอกว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นธรรมดาสิ่งนั้นดับลงธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นธรรมดาและก็ดับลงธรรมดาคําว่าธรรมดาเนี่ก็คือมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน่ะเออไม่มีการคอนโวบคุม มันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับลงเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงเจาะเข้าไปตรงไหนก็ตัวอยู่ที่ไหนก็ไม่มีเราอยู่ที่ไหนก็ไม่มีเราอยู่ในการไหวหรือเราอยู่ในความคิดหรือเจาะเข้าไปหาที่ไหนก็หาเราไม่เจอมีแต่สิ่งปรากฏแล้วก็หายไปปรากฏแล้วก็หายไปสิ่งนั้นนะคือทุกข์สิ่งนั้นนะคือขันห้า สิ่งนั้นนะ่ะคือทำทั้งทุกข์ทั้งกัณฑ์ทั้งทำทั้งกรรมทั้งวิบากอยูอาา่ในนั้นหมดทั้งกิเลสทั้งกัณหาทั้งอาสวะในนั้นหมดนะเห็นชัดอย่างนั้นนะ่ะไม่มีสิ่งใดเป็นเราเป็นของเราเห็นแต่มันเป็นมันกายก็เป็นกายความเคลื่อนไหวก็เป็นความเคลื่อนไหวความรู้สึกก็เป็นความรู้สึกเวทนานะความคิด ความรู้ก็เป็นความคิดความรู้คําว่าธรรมขันธ์ห้าสิ่งที่เกิดปรากฏแล้วกระดับไปเป็นธรรมดาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันก็เป็นธรรมอย่างเงี้ยก็เลยไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีชีวิตไม่มีสิ่งของนั่นแหละเป็นอย่างนั้น เป็นเพียงสิ่งอย่างสิ่งใดเกิดขึ้นธรรมดาดับลงธรรมดาในเมื่อเห็นอย่างนี้นะทีนี้เมื่อเรารู้ว่าไม่มีสิ่งใดเป็นเราเป็นของเราการที่จะยึดมั่นถือมั่นว่ า, ากายนี้เป็นของเราทําไมเราเจ็บป่วยแท้ทําไมเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมคนอื่นชอบว่าเราอะไรมันก็ลดน้อยค่อยลงเรียกว่ากิเลสตัวความหลงค่อยๆลดลไปนะ เราจะเอาสิ่งไหนเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นของเราเมื่อเห็นว่าแท้จริงมันไม่ใช่เล้าไม่ใช่เป็นตัวสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นธรรมดาดับลงธรรมดาเห็นอยู่อย่างนี้ความทะยืยอทยานมันก็น้อยลงความที่จ ะ, ะเรียกว่ามีเป็นมันก็น้อยลงภาระก็ลดลงไปเรื่อยๆภาระก็เบาไปเรื่อยๆความสุขก็เกิดขึ้น การที่จะมีลูกมีหลานหรือว่าไปทําอะไรก็แล้วแต่บอกกล่าวไม่ฟังจะทําให้เราหงุดหงิดเงี้ยมันก็ลดน้อยลงเราเข้าใจธรรมชาติธาตุขันนั่นเป็นอย่างงั้นสิ่งรอบข้างก็พยายามที่ว่าให้เป็นของเขาเองอะ่ะเราอย่าไปพยายามแก้หรือว่าพยายามจี้ข้างนอกอะ่ะ เพราะว่าเขาก็เป็นของเขาเองอยู่แล้วแม้แต่เราเองเรายังมาคับไม่ได้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นภาระก็น้อยลงการที่จะไปคิดกุ้มใจกับคนโน้นคนนี้ข้างนอกนะ่ะเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอะไรมันก็น้อยแมทําให้จิตใจเราขุ่นมัวหรือว่านอนไม่หลับเหมือนแต่ก่อนนะ่ะอได้ยินได้ฟังมาก็รู้ปล่อยรู้วางเนะี่ยพอวางข้างนอกได้หมดรถบ้านหรือว่าลูกหลาน ลูกสะพายลูกเขยอะไรกันแล้วแต่ที่บอกไม่ฟังลูกหลานอ่ะที่การงานตัดตรงนั้นออกเบาบางแล้วก็เหลือแต่นี้แหละกายกับใจอที่นี่ที่เป็นปัญหาพิจารณากายพิจารณาใจมันก็เป็นอย่างนี้แหละอไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานแจ้งลงไปอปัญญารู้เห็น่ะแทงลงไปก็นี่ก็เป็นปัญญา เป็นปัญญาขอ้มาสติกระเลิกได้เป็นปัญญาไปด้วยมันก็เป็นมรรคเป็นผลไปนในตัวอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่เราคิดเอาเองเนี่ยมันก็จะเริ่มหายไปเพราะว่าต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เราคิดเอาเองคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยบางทีเป็นสิ่งที่มันไม่จริงเป็นสิ่งที่ความคิดเราคิดไปเฉยๆคิดว่าทหน้ามีหรือ บุญกุศลเป็นยังไงอย่างเงี้ยบางทีมันก็มีความคิดคิดว่าเราจะทำยังไงให้มันได้ดีชีวิตของเราเนี่ยมันขาดอะไรธรรมะมันเป็นแบบไหนมรคนิพพานจะได้ไหมความคิดแล้วก็คิดไปแท่จริงก็เป็นแต่เพียงความคิดล้วก็ดูเข้าไปตรงความคิดนั่นแหล ะ, ะไม่ต้องไปไปดูผลของความคิดอะ น, นะ ดูความคิดตรงดูตรงไหนดูดูที่มันเกิดขึ้นระดับลงอ่ะถ้าเราไปไหลไปตามภาษาความหมายความมีความเป็นแล้วมันเป็นการหลงนะหลงตรงไหนหลงตรงเป็นตัวเป็นตนนะเป็นเราเป็นเขาเป็นสีแดงสีขาวเป็นบ้านเป็นรถเป็นเราเป็นหญิงเป็นชายเป็นพระเป็นโยมมันเป็นไปหมดนะแต่ที่จริงก็คือไอ้สิ่งที่เป็นนะมันไม่ใช่เราอะไรมันเป็นธรรมชาติที่ ปรุงแต่งไปธรรมดาอันนี้เองไม่ใช่จิตไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาแต่เราจะเห็นได้อย่างไรก็เริ่มจากระลึกนี่แหละสติระลึกไปเห็นมันก่อนเกิดขณะปัจจุบันระลึกลงไปว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นแท้จริงเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปแล้วก็จากภาษาความหมายที่เป็นสิ่งสมมตินี้ เป็นภาษาความหมายความเป็นคู่ทั้งหมดเป็นญิงเป็นชายเป็นขาวเป็นดําเป็นดีเป็นชื่วเนี่ยความหมายทั้งหมดเจาะเข้าไปแล้วก็อมันเป็นเพียงแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นธรรมดาดับลงเป็นธรรมดาอันนี้คือต้นต่อของมันนะเหมือนกับไฟแต่พอเป็นภาษาเป็นความหมายเป็นหญิงเป็นชายเป็นขาวเป็นดําเป็นบุญเป็นบาปนี่ก็เหมือนกับควัน เพราะนั้นเราจะดูแต่ควันเราก็ไม่รู้เหตุมันว่าควันมาจากไหนมองไกลๆเราก็เห็นฟันขึ้น่แล้วก็รู้ว่าเป็นควันแต่ไฟอยู่ที่ไหนอ่ะควันมันเกิดมาจากไหนความคิดความนึกของเรานไงที่มันเป็นภาษาเป็นความหมายเกิดมาจากความคิดแล้วก็เจาะลงไปอีกอลงไปดูความคิดเหมือนกับเราไปดูไฟแหละเมื่อเราเห็นควันแล้วเราก็ดูไฟ เห็นไฟเขาเรียกว่าโยนิสูมานสิการในอย่างนี้เจาะหาเหตุพอไปเห็นความคิดความคิดก็เกิดขึ้นดับลงเป็นธรรมดาอย่างนี้ก็เลยเห็นเป็นความคิดเป็นความคิดเนี่ยก็เป็นปัญญาไปด้วยเป็นสติไปด้วยและลึกได้ไปด้วยออย่างเนี้ยก็เกิดจากการนี่แหละดูการเห็นพอเห็นแล้ว พอเห็นแล้วมันก็คือมันเป็นของมันเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นเราเราไม่ได้เป็นมันมันก็คือมันมันก็ไม่ใช่มันดกมันหายไปนี่ก็เลยหลักก็คือว่าทําไมพระพุทธองค์จึงสอนสติปัฏฐานสี่คือเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมก็คือเป็นสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมด ที่มันเป็นของมันเองอยู่แล้วนะกายเวทนาจิตธรรมมันมีของมันอยู่แล้วเคลื่อนไหวทั้งหมดชื่อว่ากายรู้สึกในการเคลื่อนไหวนั้นทั้งหมดชื่อว่าเวทนาความคิดความนึกความรู้หรือว่าจิตก็สิ่งทั้งหมดนะั่นแหละเกิดดับเป็นธรรมมีอยู่แล้วอ กายเวทนาจิตธรรมมันมีอยู่แล้วไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของทีนี้จเจริญสติประธานสี่ก็คือฐานอันเป็นที่ตั้งของสติก็คือสี่อย่างน่แหละกลายเวทนาจิตธรรมนี่เป็นฐานคำว่าฐานก็คือมันมีอยู่แล้วที่ตั้งก็คือเอาสติคือ ล, ลึกลงไปในกายนี่ก็เป็นสติประธานสี่ และลึกลงไปในกายและลึกเห็นความเคลื่อนไหวในปัจจุบันคือไม่ต้องไปคิดหรอกว่าปัจจุบันอยู่ไหนเขาให้เอ า, าเห็นเห็นความเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยมันก็เป็นปัจจุบันของมันเองความเคลื่อนไหวมีทีนี้พอเห็นความเคลื่อนไหวแล้วมันก็จะเลยไปถึงความรู้สึกนะทีนี้ลึกลงไปละเอียดขึ้นนะความรู้สึกก็รู้สึกขึ้นแล้วก็ดับลงรู้สึกพอใจบ้างไม่พอใจบ้าง สบายบ้างไม่สบายบ้างอึดอัดบ้างม่วงบ้างไม่ม่วงบ้างรู้สึกลงไปในความรู้สึกจิตทีนี้จิตก็หดหูบ้างจิตตั้งมั่นบ้างจิตหลงบ้างจิตรู้บ้างจิตโลกจิตไม่โลกก็รู้ระลึกลงไปมันมีไปแล้วเราไม่ได้สร้างขึ้นนะตามความจริงอ่ะมันมีของมัน แล้วมันมีแนละ้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้หรอกมันต้องมันต้องดับไปอย่างเงี้ยเป็นธรรมชาติอันนี้คําว่าธรรมก็คือทุกสิ่งทุกอย่างแหละใช่หมดง่วงนอนนี่ก็ใช่เป็นนิวรณ์ความคิดก็ใช่ก็เป็นธรรมเป็นขันธ์ธาเวทนาก็ใช่เป็นเวทนาขันนี่อันนั้นสิ่งที่มีปรากฏอยู่ยนี่มันก็มีอยู่แล้วเราละเลิกได้ก็คือเป็นการเจริญสติ ถ้าเราเลึกไม่ได้มันก็ดับไปเฉยๆเวลามันก็ผ่านไปเฉยก็เหมือนเราตายกันไปงั้นพอแล้วมั้งเหมือนนี้เนาะเฮ้ยไง <c oughs> ง่วงมันธรรมดาบปฏิบัติไปแล้วง่ <c oughs> งงวงอืม <c oughs> นี ง, ง่วงนอกแต่ว่ามันหนาวนะช่วงนี้เนาะญาติโ ย, ยมก็ระวังสุขภาพหน่อยบางทีมันลมบางทีอาตมาว่าไม่ค่อยดีนะถ้าหนา ว, วา้ร่าอาตมาไม่ค่อยถู่กับลมก็ไม่รู้ปรับตัวยังไม่ได้ก็ไม่รแต่ข้างนอกเนี่บางทีนึกถึงโยมว่าถ้าลมอากาศแบบนี้ปฏิบัติอยู่ข้างนอกก็ไม่ค่อยดีเข้ามาในห้องน่าจะดีกว่า น, นั่นแหละ อันนั้นอาตมาก็ขอหยุดเท่านี้นะมันนี่เจรินสติฝากไว้ตรงที่ว่ารู้ตามที่เป็นจริงไม่ใช่ทำให้มันมีให้มันเป็นนะถ้าเราหลงเรานึกถึงคำนี้ก็ได้รู้ตามที่เป็นจริงไม่ใช่ทำให้มันมีให้มันเป็นแล้วเรากระลึกมาว่าอะไรคือความจริงในตัวเราในะนั่งก็รู้ว่านั่งยกมือก็รู้ว่ายกหายใจก็รู้ว่าหายใจคิดก็รู้ว่าคิดความจริงมันมีอยู่แล้ว ก็เลยรู้ตามที่เป็นจริงไม่ใช่ทําให้มันมีให้มันเป็นพอเราก็ไปทําให้มันเป็นแล้วเมื่อเราจะลงหลงก็ลงเป็นกับมันนั่นแหละแล้วลมันจะไหลไหลกับไหลกัตามมันเป็นะมันก็เลยไม่มีสติคิดว่ามีสติแต่ไม่ใช่สติเพราะฉะนั้นต้องรู้ตามที่มันเป็นจริงจริงเป็นสตินะอะไรอฝากไว้ตอนนี้นะอวามยัตจบทุกท่าน จึงมีความสุขความเจริญทุกทุกท่านได้ดวงตาทำทุกทุกท่านทุกคนเทอรอโอกาสหลวงพ่อแล้วก็อาจารย์บุญทนกับเจริญพรญาติยโยมทุกๆ ท, ท่านะการนั่งอสร้างจังหวะไปตามสบายนะต่อมาก็จะพูดไปเรื่อยแล้วก็สร้างจังหวะไปตาม สบายของแต่ละคนนะก็วันนี้จะพูดเรื่องเป้าหมายของการปฏิบัติสักนิดหนึ่งนะเพื่อจะเป็นข้อคิดกับผู้ที่มาศึกษาใหม่ๆ คือการปฏิบัติที่เราเข้าใจว่าพระปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติธรรมเขาปฏิบัติไปเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นอะไรเพื่อให้ได้อะไรนะแม้กระทั่งนักบวชสมัยยุคโน้นพุทธกาลพระพุทธเจ้าออกบวชปฏิบัต หกปีถึงได้ตัดสู้อริยสัจสี่ตัดสั้สัมมาสัมโพธิญาณก็เพราะการปฏิบัติแม้แต่พวกเรามาที่นี่ก็ได้รับการแนะนำให้ปฏิบัติทางการเจริญสติอันนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติ แล้วเราจะปฏิบัติเป้าหมายสูงสุดนั้นคืออะไรชนะีวิตมนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยทุกคนนะทุกคนที่เกิดมามากับกายกับจิตจะว่ามีรูปมีนามทั้งสองอย่างเนี่ยนะรูปนามเนี่ยก็เป็นไปนะ ทั้งหญิงทั้งชายแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็มีนะในการดำรงชีวิตก็เรียก ว, ยยว่าสติโดยสัญชาตญาณคาว่าสติโดยสัญชาตญาณเนี่ยก็สามารถที่จะหาอาหารเลี้ยงชีพได้สามารถสืบพันธุ์ได้นะแล้วก็สามารถต่อสู้กับธรรมชาติ เพื่อความอยู่รอดได้เรียกว่ามีสติในสัญชาตญาณการมีสติหรือความรู้ตามสัญชาตญาณเนี่ยไม่ที่ไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการดำรงชีวิตได้จึงต้องมาใช้วิธีปฏิบัติ เรียกว่าเจริญภาวนานี่แหละเจริญสติให้มากยิ่งๆขึ้นไปจึงจะรู้ถึงเป้าหมายในการปฏิบัติทีนี้ชีวิตของแต่ละคนเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยที่เราขาดก็คือ เหมือนกับว่าชีวิตทุกคนเหมือนคนตาบอดนะที่เกิดมาเนี่ยยังไม่มีดวงตาเลยเบื้องต้นในการที่เราปฏิบัติเนี่ยที่จะต้องรู้ถึงก็คือการมีดวงตานคนไม่มีดวงตาคนตาบอดเนี่ยเขาก็สามารถดํารงชีวิตได้นะสืบพันธุ์ได้เหมือนชีวิตคนทุกคนที่เกิดมาเนี่ย มืดบอดกันหมดทั้งทุกคนที่ว่ามืดบอดน่นก็คือว่าไม่รู้สัจธรรมตามที่เป็นจริงว่าชีวิตนี้คืออะไรชีวิตนี้มาจากไหนและเบื้องปลายงชีวิตจะไปทางไหนทิศทางไหนอย่างนี้เป็นต้นมืดบอดเหมือนกับคนตาบอดเนี่ยไม่รู้ ซึ่งสีขาวสีแดงนะส่วนคนตาดีเนี่ยก็รู้ถึงสีขาวสีแดงทีนี้ไอคนตาบอดนี่ก็อยากจะรู้บ้างไปถามคนตาดีว่าคนตาดีสีขาวสีแดงมันเป็นอย่างไรคนตาดีก็บอกว่า สีขาวก็เหมือนปุยฝ้ายนี่นะคนตาบอดก็ถามอีกว่าแล้วปุยฝ้ายเป็นอย่างไรคนตาดีก็บอกว่าปุยฝ้ายก็เหมือนก้อนเมฆคนตาบอดก็ถามอีกว่าก้อนเมฆเป็นอย่างไรคนตาดีก็บอกว่ามือหีมะคนตาบอดก็ไม่รู้อีกว่าหีมะมันสีขาวเป็นยังไง ถามีคนตาดีก็จะบอกว่าเหมือนนกกระยางนะคนตาบอดก็เลยไปซื้อนกกระยางมานะคำไปคำมาคำตัวมันนะคำไปถึงปากนกกระยางเนี่ยก็เลยคิดเอาเองว่าอ๋อสีขาวมันแหลมๆอย่างนี้นี่เองอันนี้คือคิดเอาเองชั้นใดก็ดีเหมือนกับ พระอริยเจ้ากับปุถุชนคนธรรมดานี่นะคนธรรมดาแม้ว่าชาติใดศาสนาใดที่เกิดมาเนี่ยเหมือนคนตาบอดไม่รู้ว่าตนเองมาจากไหนเดี๋ยวนี้อยู่อย่างไงตายไปแล้วจะไปที่ไหนสวรรค์น ร, ม ร, รกมีจริงหรือเปล่าบุญบาปมีจริงหรือเปล่าพระลานนิพพาน มีจริงหรือเปล่าอยู่ตรงไหนความสงสัยเหล่านี้เหมือนคนตาบอดที่สงสัยในสีขาวสีแดงไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เว้นไว้เสียแต่ว่าเขาจะมีดวงตาซะเองถ้าเขามีดวงตาซะแล้วก็ไม่ต้องถามใครว่านั่นสีอะไรนี่สีอะไรเพราะเขาก็เห็นอยู่แล้ว มีพระอารหันต์นั่งอยู่ใกล้ๆผู้รู้นั่งอยู่ใกล้ๆ ก, ก็ไม่จําเป็นต้องถามถ้าเขาเห็นนั่นแหละเหตุเพราะว่าเราทุกคนตาบอดจึงต้องมาปฏิบัติเพื่อเบื้องต้นเนี่ยจะได้ดวงตา ม, มาจะได้รู้แจ้งสัจธรรมตามที่เป็นจริงว่าไอ้ที่เรยวกว่ารูปนามหรือว่าที่เรียกว่าเราอันนี้จังทุกขังอน้าตา หรือว่าอาริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมากนั้นเป็นอย่างไรนะเหตุนั้นจึงต้องปฏิบัติเพื่อให้ได้ดวงตานั่นแหละมาดวงตาเห็นธรรมทัทนว่านะเมื่อพระพุทธองค์นี่เห็นตัดสรุปแล้วก็ไปประกาศศาสนาโดย ธรรมเทศนากันแรกที่พระพุทธองค์แสดงนี่ก็คือธรรมจักรกับป่วัฒนสูตรที่ป่าอิสิปัตนะมฤคไทา ย, ยวันเมืองปารามสีแก่ปัญจวัคคีทั้งห้านะก็ตอนนั้นเมื่อพระธรรมเทศนาธรรมจักรกับป่วัฒนสูตรนี้จบลงโกนธั ญ, ญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนะ ได้อย่างไรได้ตรงตาเห็นธรรมเหมือนจากตาบอดแล้วก็มีตาดีในพระวพาบาลีนั้นว่ายังกินจิสมุทยะยัตมังสัพพันตังนิโรธธรร ม, มังซึ่งแปลว่าโกนธัญญาเห็นเห็นว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นธรรมดาแล้วก็ดับลงธรรมดา นะก็คือได้ดวงตาเห็นธรรหรือเป็นธรรมะจากขุเขาว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็คือรูปนามในนี้แหละร่างกายจิตใจของเรานี่แหละนะเรายกมือนะสติเราระลึกเห็นความเกิดขึ้นงายมือขึ้นเรารู้สึกนะ ความมือลงก็รู้สึกอย่างเงี้ยกระพิตาเกิดขึ้นเราก็รู้สึกก็กลืนน้ำลายอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกความเกิดขึ้นทั้งหมดนั่นแหละคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นธรรมดาและกระดับลงธรรมดาในอายตนะทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ สิ่งนี้มันมีอยู่แล้วมันเกิดอยู่แล้วเราไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เราก็ยังไม่มีอินทรีย์แก่กล้าพอที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้นะเหตุ น, นั้นจึงต้องปฏิบัติจเจริญสตินะเจริญสมาธิแล้วก็จเจริญปัญญาให้มีความคมชัดหนักแน่นแล้วก็ เป็นพลังเป็น power ขึ้นมาจากไม่มีก็ทำให้มีโดยการปฏิบัติตามแนวสติปทานทั้งสี่นี่แหละนักปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสำนักไหนนะก็ใช้ในแนวสติปฐานทั้งสี่ที่เราสวดไปเมื่อวานนี้นะ คหนึ่งก็เห็นกายในกายสองก็เห็นเวทนาในเวทนาสามก็เห็นจิตในจิตสี่ก็เห็นธรรมในธรรมอันนี้คือแนวปฏิบัติของสติปัฏฐานทั้งสี่เมื่อเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่นี้มากๆเก่านะ ก็จะเป็นส ม, มัปทานสี่อิทิบาทสี่อินซีห้าพละหา้าโพชฌงเจ็ดอริยมรรคมีองแปดรวมทั้งหมดก็จะเป็นธรรมเครื่องตัดสรุเห็นแจ้งธรรมะได้ดวงตาขึ้นมาเบื้องต้นแล้วก็มาเจริญตรงนี้ก่อนคือสติปัฏฐานทั้งสี่คำว่าสติปัฏฐานทั้งสี่ข้อที่หนึ่งก็คือ กายในกายเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำคำว่ากายในกายคำว่ากายก็หมายถึงอาการสามสิบสองนะผมขนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตหัวใจ ม, ม้ามกระเพาะปัสสาวะลำไส้ใหญ่เลมไส้น้อยแล้วก็น้ำลายน้ำเสลน้ำเหลือง สมองน้ำตาเหงือ่อสิ่งเหล่านี้นะสามสิบสองอย่างเนี่ยเรียกว่าอาการสามสิบสองเนี่ยคือกายทีนี้คำว่ากายในกายก็คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่อยู่ในกายนั้นลมหายใจนี่ก็ใช่นะไหลเข้าไหลออกการกระพริบตาก็ใช่นะ ท้องทองทอง้ทองยุบนี่ก็ใช่การเคลื่อนไหวของเราเนี่ยก็ใช่นั่นแหละคือกายในกายกายในกายก็ทำงานอยู่ตลอดกายก็ทางานอยู่ตลอดถือว่าความไหวก็มีอยู่ตลอดเว้นไว้แต่คนตายสังเกตง่ายๆคือคนที่ตายไปแล้วนี่จะไม่มีกายในกายมีแต่กายนอนแข็งอยู่อย่าง อาการสามสิบสองมันแข็งอยู่แต่ว่าคําว่ากายในกายไม่มีคือความเคลื่อนไหวหายใจเข้าใจออกก็ไม่มีเนี่ยกับพิมตาก็ไม่มีท้องคองท้องยุบก็ไม่มียกปืนก็ไม่มีความไหวทั้งหมดในกายนั้นไม่มีนะเพราะฉะนั้นเห็นกายในกายอยู่เป็นประจําก็คือเห็นความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่มีอยู่ในร่างนั้นอะร่างหญิงร่างชายนั้นเนี่ยสั้นยาวสูงต่ําดําอ้วนเน่ะ ความเคลื่อนไหวทั้งหมดนั่นคือกายในกายเห็นกายในกายก็คือระลึกลงไปในจุดใดก็ได้ถ้าระลึกลงไปในลมหายใจลมหายใจก็มีตลอดเราจะหลับเราจะตื่นมันก็ไหวอยู่ตลอดถ้าระลึกลงไปเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อไหร่ขณะนั้นชื่อว่าเห็นกายในกายอยู่ นั่นคือการเจริญสติปันสีหรือว่ามือที่เคลื่อนไหวอยู่นี่สติเราละลึกเห็นความอยู่ก็รู้งายขึ้นก็รู้ยกเข้าไปที่หน้าอกก็รู้ยกขึ้นยกลงความสิบสี่จังหวะนี่แหละทุกขณะเราละลึกได้ เห็นในความเคลื่อนไหวไปอยู่ไปอยู่ทุกขณะทุกขณะในการยกและลึกได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นได้ชื่อว่าเจริญสติปัฏฐานสี่ในข้อเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำอันนีะวันนั้นไม่ผิดหรือว่าเวลาเข้าอาบน้ำน้ำลาดลงไปที่กาย เย็นไปทั่วร่างกายก็ระลึกรู้ว่าโอ้เย็นระ ล, ลึกเห็นว่าเย็นอันนั้นก็ได้ชื่อว่าจเจริญกายในกายเหมือนกันหรือว่าตอนทานข้าวขนมหวานเกิดขึ้นที่ลิ้นรสอร่อยเกิดขึ้นที่ลิ้นสติกระลึกเห็นอ่ขนาขณะมันหวานเกิดขึ้นหรือว่าเราทานน้าร้อนร้อนเกิดขึ้นที่ลิ้นแล้วก็ดับลง นั่นก็เป็นการเคลื่อนไหวเหมือนกันถ่าและเลิกเห็นก็ถือว่าเจริญสติปัฏฐานสี่อันแล้วเพราะฉะนั้นการเจริญกายในกายเราเจริญได้หลายข้อนะแต่ว่าเอาอันใดอันหนึง่งอย่างยกมือนี้ก็ถือว่าเราตั้งไว้อย่างนี้ เทคนิคในการที่จะระลึกรู้ก็คือว่าให้ตั้งไว้ว่าเราจะามีสติอยู่ในการเคลื่อนไหวในมือนี่เนี่เราก็ให้รู้เฉยๆซื่อๆอย่างที่เราฟังไปแล้วนะอย่าเข้าไปพัวพันหรือว่ายึดจนเกินไปให้รู้ซื่อๆในการไหวไปเพียงสักวารู้ เพียงสักวาู้ถ้ามันเลอะเรือนเราก็เข้าไปจับเข้าไปกระทำได้แต่ว่าให้เพียงศักว่ารู้เหมือนกับที่แนะไปเมื่อวานนี่ว่ารู้อยู่เห็นอยู่แล้วก็ปล่อยอยู่คำว่ารู้อยู่ก็คือระลึกได้นะเนี่ยรละลึกรู้ในกายเนี่ยคำว่าเห็นอยู่ก็อะไรไหวก็คือเห็นเห็นอันนั้นขณะนั้นปัจจุบันนั้นตากระพริบก็เห็นมือยกก็เห็นใจคิดก็เห็น ถ้ามันเย็นขึ้นมาในผิวว่าเห็นนะคือเห็นอยู่คําว่าปล่อยอยู่ก็คือไม่ผัวพันไม่ผัวพันในอายตนะทั้งหกอ่ะอายตนะทั้งหกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะการเกิดปรากฏของตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีอยู่แล้วเราไม่สร้างมันก็เกิดปรากฏอยู่แล้วเพราะนั้นไม่ผัวพันอยู่ในลักษณะที่อิสระ อยู่ห่างๆเหมือนกับสิ่งอื่นไม่ใช่ตาของเราหูของเรารู้อยู่เห็นอยู่ปล่อยอยู่หนึ่งเนืองแต่ก็อย่าให้มันเลือเล่อนเรือนนะถ้าเลือเล่อนเรือนแล้วก็มากระทำได้ฝึกใหม่จเจริญ อ, อย่างนั้นแหละเนืองๆเรียกว่าจเจริญสติออันนี้เบื้องต้นนะคือเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำข้อต่อไปก็จะมีอีกเห็นเบทนาคือความรู้สึก แต่ว่าเบื้องต้นเอาตอนนี้ก่อนเวทนาอย่เพิ่งนะมันก็อยู่ด้วยกันนะแล้แต่พูดถึงแต่ว่ามันก็จะแยกแยะไป่เองแต่จะพูดให้รู้แต่ว่าเวทนาก็ความรู้สึกนะเราเห็นความรู้สึกจริงๆแล้วความรู้สึกในนี้หมายถึงความสุขนะปีตินะนะี่แหละคือความรู้สึกก็จะมีสามอย่างคือเฉยเฉยแล้วก็ทุกข์กับสุขแต่อันนี้จะหมายถึงปีติ หมายถึงว่าเห็นกายในกายแล้วตัวนี้มันถึงเกิดขึ้นแล้วก็จะมีความสุขแล้วก็ดูเข้าไปในนั้นเห็นจิตในจิตก็จิตโลภะจิตโทสะจิตโมหะอจิตมีความโลภจิตตั้งมั่นแล้วก็จิตปลาโมดอยู่ในลักษณะถ้าเห็นจิตในจิตแล้วก็จะเป็นอยู่ในลักษณะที่ว่าเห็นมันเป็นเองแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้ว เห็นทุกสิ่งเป็นเองในเมื่อทุกสิ่งเป็นเองนั่นแหละจิตมันถึงจะเรียกว่าตั้งมัน่นความตั้งมั่นปรากฏขึ้นมาก็เห็นนั่นคือเห็นจิตใ น, นจิตเขาไม่เห็นทำในทำก็ทําก็คืออ่าขันห้านะขันห้าก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือร่างกายก็ได้นะเวทนาความรู้สึกแล้วก็สัญญาก็คือความจําได้หมายรู้หมายมั่น สังขารก็คือความคิดปรุงแต่งวิญญาณก็คือการรู้แจ้งในอายตนะในอารมณ์เรียกว่าขันห้าขันห้าในเรียกว่าธรรมถ้าเป็นธรรมในธรรมก็หมายถึงอนิจจังทุกขังนาตาิตพานง่ายๆเลยถ้าเห็นขันห้าก็ต้องเห็นขันห้าต้องเห็นอนิจจังทุกขังนิพตาอันนี้ เป็นเรื่องเห็นธรรมในธรรมทุกสิ่งที่กล่าวว่าเนี่ยไอสติปัฏฐานทั้งสี่เนี่ยมันมีอยู่แล้วฐานทั้งสี่มันมีอยู่แล้วนะเพียงแต่เราเระลึกลงไปรพพู้นะพอกโพลทําให้มากทําให้ทีทําให้ต่อเนื่องอ่าอย่าให้ขาดตอนนะ ทำเรื่อยๆทำหนึ่งๆแล้วมันก็จะค่อยเห็นชัดขึ้นมาทีนั้นนี้ทีนั้นนี้เป็นกาลังเป็นตบ ะ, ะเป็น power นะถ้าเหมือนถ้าอุปมาเหมือนกับว่าถ้าน้ำขุนอยู่มันก็จะเริ่มใสถ้ามันมืดอยู่แสงสว่างมันก็เริ่มมีการอาการทั้งหมดน่เรียกว่าการเจริญภาวนาคาว่าภาวนาก็ททำให้มีขึ้นเป็นขึ้น สติของเราจากที่มีอยู่ตามสันทะยานนี่นะแล้วก็พัฒนาให้เป็นายานสูงสุดขึ้นไปนะทำไปเรื่อยๆจากการทำธรรมดาธรรมดาเลยต่อไปก็จะเป็นฌานเป็นยานขึ้นมารู้ขึ้นมานะคำว่ายานน่นก็คือรู้นะมันรู้เฉยๆไอยายนะแต่คำว่าปัญญานี่คือคิด คิดรู้ปรุงแต่งรู้ปัญญาแต่คําว่าญาณเนี่ยรู้เฉยๆมันรู้เฉยๆรู้แล้วมันก็คิดได้แต่พระพุทธองค์ก็ตัดว่าบุคคลจะละได้ด้วยปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่มีปัญญาละไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงชั้นสูงไปก็เราไม่ได้ทําอะไรเลยเราเพียงแต่รู้ ทุกอย่างมันก็เป็นของมันไปเองหมดทั้งหมดเพราะนั้นการมาทำกรรมฐานเนี่ยหรือว่าเจริญภาวนาแล้วไปเจริญสตินี่ไม่ใช่ทำให้มันเป็นอะไรหรอกมารู้มันมารู้ความที่มันมีอยู่แล้วนะไม่ใช่มาแก้ไขมันถ้าเราคิดแก้ไขมันแหละไอความคิดที่จะแก้ไขนั่นแหละเราลืมกำหนดมันนะ่ะมันเพไปทังนั้น เหมือนกับอ่าแม่ชีจะแก้ไขอุทธจักกุกกุทจักเนีคือจริงๆแล้วมันต้องดูดูให้รู้เรื่องว่าอุทธจักกุกุทธจักมันคืออะไรมันถึงจะแก้ได้ถ้าจะแก่แต่ถ้าดูรู้เห็นตัวมันจริงๆแล้วมันไม่ต้องแก่เลยมันหายของมันเองอคือไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่จะมาทําสีขาวให้มันเป็นสีแดงหรือว่าไม่ใช่จะทําให้มัน เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่เพียงแต่รู้นะรู้ไม่ได้ไปทำอะไรกูง่ายๆก็คือการมาทำกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่ทำให้มันเหมือนกับร่างกายเราเนี่ยปัสสาวะอุจจาระเนี่ยมันเหม็นอย่างเงี้ยการมาทำกรรมฐานนี่ก็มารู้ความเป็นจริงเนะี่ยว่ามันเหม็นอย่างเงี้ย ไม่ใช่ว่าไปทาให้ขี้มันหอมแล้วว่าเยี่ยวมันหอมไม่ไม่ใช่อย่างนั้นการทำกรรมฐานคือรู้ตามที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นเราจะไปแก้ธรรมตรงนั้นให้เป็นอนันทําตรงนั้นให้เป็นอนันตะเป็นวิสัยของที่พูดได้แต่ความเป็นจริงมันมันไม่ใช่หลักไม่ใช่หลักหลักคือรู้อย่างเดียวรู้ตามที่เขาเป็นจริงเขาเป็นอย่างนั้นของเขาอยู่แล้วเขาจัดการของเขาอยู่แล้ว ตามธรรมชาติเหมือนกับมีดบาดเข็นขาเราเนี่ยเราทําได้เอ่อเอาอยาแดงมาใส่มันรักษาแผลแต่โดยความเป็นธรรมชาติเขาก็สมานแผลของเขาเองเขาสมานแผลของเขาเองเวลามีดบาดเนี่ยเราจะเจ็บไอเจ็บนะเราไม่ชอบดอกแต่การเจ็บนะ่ะคือมันสมานแผลของมันเองถ้าไม่เจ็บไม่หายนะเหมือนกับคนเป็นเบาหวานมากๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเจ็บหลบแผลแต่ว่าเลือดลังไม่หาย บางสิ่งเราไม่ชอบแต่วันนั้นมันดีอย่างกรณีว่าธรรมะมันเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นในใจนี่จริงๆมันดีแต่เราไม่ชอบเราก็เลยไม่อยากดูเราห น, นีไปซะจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมาให้เราดูนะให้เรารู้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนบันไดทั้งหมดนะการปฏิบัติของเราอย่าไปรังเกียจสิ่งใดสิ่งใ ด, งดเกิดขึ้นมามีก็หน้าที่กำหนดรู้อย่างเดียว ไม่ใช่สิ่งนี้เอาสิ่งนั้นไม่เอาปิติเอานะความทุกข์ไม่เอาปวดแข้งปวดขาไม่เอาจะเอาอะไรสบายไม่ใช่ปวดแข้งปดขาเกิดขึ้นมาก็นั่นแหละของดีดูดูไปนั่นแนหะทุกข์มันเกิดมาให้ดูเพราะว่าสิ่งนั้นจะทําให้เรามีปัญญาเราต้องรู้มันอย่าพยายามไปไปฆ่ามันนะอย่าพยายามไปผลักมันแต่ต้องรู้มันคําว่ารู้ก็คือระลึกลงไปนะ จะลึกลงไปถ้าเรามีกำลังมากๆแล้วปัญญามันรู้ของมันเองเพียงแต่เราเอาใจใส่มันหน่อยไม่ใช่วิ่งหนีคำ ว, ว่าทุกนี่คือทุกสิ่งที่เกิดปรากฏชื่อว่าทุกอะไรก็ตามเกิดปรากฏเป็นทุกหมดในภาษาธรรมเนี่ยหัวเราะก็ทุกนะร้องไห้ก็ทุก สบายก็ทุกสุขก็ทุกทุกอย่างเป็นทุกหมดทุกตรงไห น, นทุกเพราะมันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปอะทุกเพราะมันไม่ได้อยู่ในอำนาจใครมันเกิดขึ้นแล้วดับไปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไปหมดการที่เกิดขึ้นแล้วทนอยู่สภาพเบเดิมไม่ได้คือว่าทุกเพราะฉะนั้นทุก เ, เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องละนะสิ่งที่ต้องละคือตรหาความยึดเนะี่ย ความยึดความมีความเป็นใจแล้วน่ะมันคิดนะมันมีมันเป็นเป็นได้ทุกอย่างมันคิดขึ้นมาแล้วมันก็เป็นละอจากไม่เป็นละคิดขึ้นมาแล้วมันก็เป็นความมีความเป็นนะความคิดเป็นหญิงเป็นชายเป็นเขาเป็นเราเป็นบุญเป็นบาปเป็นทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันคิดแหละแท้ที่จริงพอดูไปเฉยๆมันก็เป็นความคิดเฉยๆมันเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเฉยธรรมดาธรรมดา แต่พอเราไม่รู้จักความคิดเราก็ตกใต้อานาจของความคิดก็เราสามารถฆ่าคนได้เป็นเฉยๆคนชั่วระยะไม่กี่นาทีเนี่ยก็เพราะความคิดถ้ารู้ว่ามันเป็นความคิดเฉยๆมันก็ไม่มีผลอะไรมันเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเพราะนั้นความคิดนี่ก็สาคัญในการดำารงชีวิตของเราเพราะเราคิดว่ามันจริง คิดว่าความคิดจริงเพราะว่าความคิดมันมีมันเป็นอนะ่ะมันเป็นเขาเป็นเราแต่เราต้องดูให้ดีๆว่าความคิดมันคืออะไรกันแนะ่อย่างเงี้ยอ่าหลายคนน่าคิดเนี่ยยกมือไปยกมือมาไอคนที่ยังไม่แต่งงานเราคิดเรื่องแต่งงานเนะี่ยเออมันเป็นไรขนาดนั้นนะความคิดมันมีไปเรื่อยๆอ่านักร้องมานั่งตรง น, นี้กะ ไม่รู้ว่าลองเพลงจบไปกี่เพลงแล้วอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันจริงเราต้องกำหนดรู้เข้าไปลึกๆให้รู้ว่าแท้ไดจริงแล้วมันขอเหมือนกับมันเป็นของปลอมไม่ใช่ของแท้มันจริงเหมือนของไม่จริงนะแต่อันนี้เป็นความรู้เบืบ้อ ง, งต้นเฉยๆหรอกจริงๆแล้วเราต้องปฏิบัติ ให้ประจักษ์ชัดกับตนเองนั่นแหละถึงจะชัดถึงจะใช่นะฟังก็ฟังเฉยๆไม่ต้องเชื่อหรอกฟังไวนะ้เป็นกําลังใจในการปฏิบัติมองเห็นเป้าหมายว่าแท้จริงแล้วเราจะต้องไปจุดนันใดใดนะอย่างน้อยถ้าเรารู้ว่าเราเนี่ยตาบอดกิตที่เราจะต้องทําจากนี่ไปถึง สิ้นชีวิตนี่ก็คือการขนขวายหาดวงตานั่นแหละถ้าเรารู้ว่าเราบอดนะถ้าเราไม่รู้ว่าเราบอดแน่นอนว่าเราไม่รู้จักจะขนไหวยหรอกเราคิดว่าเรามีแล้วเราไม่รู้จักนขนไวายขนขวายหาอันนึงว่าต้องอาศัยศรัทธาศรัทธาก็คือการเชื่อเชื่อว่าเรานี่บอดละเราเนี่ย มืดหละยังไม่รู้ล่ละสิ่งที่ควรสแสวงหาคือดวงตาความเชื่อตรงนั้นอะความเชื่อในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่การคาดคะเนนะอย่างกรณีที่ว่าเราเชื่อว่าเรามีตับอยู่ในในท้องเราเนี่ยอันนี้ยังไม่ใช่ความเชื่อในพุทธศาสนานอันนี้ยังเป็นการอนุมานเอาการคาดคะเนเอา ถึงมันมีอยู่จริงก็ยังเป็นการคาดคะเนแต่ความเชื่อในพุทธศาสนาเนี่ยคือชัดคือเชื่อแน่เห็นแน่ชนิดที่ว่าไม่มีอะไรจะสงสัยอีกแล้วนะถึงจะเรียกว่าศรัทธาในนี้ในพุทธศาสนาอุโมมาเหมือนกับเราลอยอยู่ในกลางทะเลเนี่ยเราเห็นเกาะแล้วเห็นฝั่งแล้ว คือถ้าเราลอยถึงก็ถึงฝั่งแน่น่ะเชื่อขนาดนั้นน่ะไม่ใช่ว่าลอยอยู่ท่ามกลางทะเลแล้วไม่เห็นฝั่งเลยไม่ใช่คือเราเห็นฝั่งแล้วหรือไม่ก็เราเห็นน้ํำนี่เราย่างเท้าลงไปมันเปียกแน่แล้วกระโดดลงไปตัวเราเปียกแน่เชื่อถึงขนาดนั้นมั่นใจขนาดนั้นถึงจะเรียกว่าความเชื่อในพุทธศาสนาไม่ใช่การคาดคะเนหรือเดาเอาเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกุศลเหมือนกันหมดเห็นชัด นั่นแหละถึงเรียกว่าตั้งศรัท ธ, ธาได้เพราะนั้นสมมุติว่ามีฝั่งอยู่แล้วนะแล้วเราตอนนี้อุปมามันกับพากันลอยอยู่ในกลางทะเลเนี่ยเราไม่ต้องไปเลี้ยวซ้ายแลขวามองคนนั้นคนนี้แล้วว่าไอ้คนนั้นลอยไม่สวยคนนี้ไหว้ไม่เป็นไอ้ตัวเราน่ะเราทำยังไงถึงถึงฝั่งแค่นี้พอ นี่แหละการยกมือการมีสตินี่เป็นการไหวเพื่อให้ถึงฝั่งฝั่งในที่นี้หมายถึงฝั่งปานิพานและได้ดวงตาเห้ทําเป็นฝั่งปานิพานเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจแล้วคนอื่นนั่งข้างๆเราละเขาจะไหวท่าไหนก็ช่างเขาเขาจะไม่ไหวก็ช่างเขาไอเราน่ยไม่ต้องไปดูเขาไม่ต้องไปชี้เขาเราไม่ต้องไปจับมือเขาไหวแล้ว แล้วก็ไม่ต้องมาดูตัวเองว่าตัวเองจะทํายังไงถึงจะสวยว่า้เขาฟังอะ่ะยังไงเราถึงจะถึงฝั่งน่ะเราไปเถอะนี่แหละยกมือกําหนดมีสติและลึกรู้ทำนเนื่องทําบ่อยๆคนหนุ่มก็เหมือนกับอมีกําลังมากนะ่ะแต่คนแก่แล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมก็เหมือนมีกําลังน้อย เพราะนั้นผู้มีกําลังน้อยเนี่ยก็ไหว่าบางคนก็ยังไม่ถึงฝั่งก็จมในระหว่างนะแต่คนยังหนุ่มยังแน่นเนี่ยก็ยังมีกําลังมากก็ไหว้ได้นานหน่อยมีเกลียวแรงนะก็อาจจะถึงฝั่งก่อนที่จะชีวิตจะจบลงพูดง่ายๆคือก่อนกําลังจะหมดเนียถ้าเราไม่ไหวยได้ไหมได้หยุดมันก็จมทันที จงลงไปก้นทะเลทันทีเพราะนั้นการทำความดีก็ตามการปฏิบัติธรรมก็ตามเหมือนการว่ายน้ำเราก็ยันไปเถอะไว่ายไปเถอะถึงฝั่งแล้วก็นั่นแหละจะสบายไม่ต้องว่ายนะแต่นี่ก็เป็นเป้าหมายเป็นวิธีวิถีทางที่ให้เรามองเห็นนะ เราก็อย่าเพิ่งเชื่อต้องทำทำไปก่อนถ้าถึงจุดที่ว่าเรานี่ได้ดวงตาเห็นธรรมหรือว่าถึงขั้นเห็นรูปนามอย่างเงี้ยถึงตอนนั้นถึงจะใช้ได้ก็มีนะคนที่มาปฏิบัติไปนี้ลนะยกมือแบบเราเนี่ยมีสติและลึกรู้ทำต่อเนื่องทำไปบ่อย เอาใจใส่ก็เห็นรูปเห็นนามเห็นได้นะเราเนี่ก็เป็นคนคนหนึ่งนะที่มาพิสูจน์เรื่องเห็นรูปเห็นนามโดยการเจริญสติอย่างที่เราทำอยู่นี่นะเหมือนว่าพระเนี่ก็เหมือนกันนะมาบวชในพุทธศาสนาเนี่ย คนสมัยก่อนเขาจะบอกว่าอาศัยชายผ้าเหลืองของลูกขึ้นสวรรค์เพราะฉะนั้นการบวชของพระแต่ละคนแต่ละคนนี่นะก็มีการญาติพี่น้องก็มาช่วยกันเยอะนะแห่เอาขี่คอแห่อ้อมโบดก็ร้องลำตำเพลงคนที่ทำกับข้าวก็ทำคนที่ช่วยเรื่องอื่นก็เป็นงานบวชอ่ะ คนจะมาช่วยกันเยอะก็อาศัยบุญบา ร, รมีของผู้ที่บวชนะ่ะอาศัยผ้าเหลืองเกาะขึ้นสวรรค์คนโบราณเขาว่าอย่างนั้นอตมาเคยน้ำตาไหลมาแล้วนะไปดูเขาบวชพราเนี่ยคือเกิดปิติขึ้นมาคือเห็นความที่มันคิดกว้าง้างภาพรวมนะเออมันเป็นสิ่งประเสริฐมากนะะฉะนั้นพอบวชมาปุ๊บเนี่ย ก็อบมาเหมือนกับว่าเป็นกับตันเรือเลยนะคนที่บวชน่ะแล้วลูกเรือก็เหมือนกับพ่อกับแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องอะนะที่นำเขามาบวชน่ะบางคนถือมอนถือผ้าไตอย่างเงี้ยบางคนพนมดอกไม้สุขเทียนพนมมือมาร่วมในงานบวชคนเหล่านั้นน่ะเหมือนกับลูกเรือ พระที่บวเหมือนกับตันเรือทีนี้กับตันจะพาไปที่ทางไหนเกาะอยู่ที่ไหนฝั่งอยู่ที่ไหนถ้ากับตันไม่รู้เรื่องก็พาไปนั่นแหะเจอมรสุมจมไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นสำคัญเหมือนกันเรื่องนี้เหมือนกับเราที่มาเนี่ยก็เหมือนกับตันเรือเหมือนกันนะบางทีมีครอบครัวเนาะหรือว่ามีพ่อมีแม่มีลูกก็แล้วแต่สละเวลาการทางานมา S <S <S ส่วนหนึ่งที่ได้ก็คือความสงบละได้พักผ่อนทาง จ, จิตใจแต่ว่าเหมือนกับเราเนี่ยเป็นกับตันเรือให้กับพ่อกับแม่กับญาติกับครอบครัวที่บ้านเหมือนกันนะว่าการมาปฏิบัติของเราครั้งนี้สิบวันเนี่ยเหมือนเราเป็นกับตันเรือจะพาลูกพาลานไปถึงฝั่งได้หรือเปล่าจะเห็นฝั่งหรือเปล่าถ้าเห็นน่ะแน่นอนเราต้องดึงลูกดึงล้านหรือว่าดึงครอบครัว พ่อแม่ให้มาสู่จุดนี้นะถ้าเราเห็นเราอะไรศรัทธาเกิดขึ้นอ่ะอานั้นเวลาที่เหลือต้องไปพิสูจน์ดูอยู่ที่ตัวเราเองทั้งทั้งหมดนะสิ่งไหนที่เรียกว่าสติสิ่งไหนที่เรียกว่าการเจริญสติให้เอาใจใส่ยียบคายอย่าขี้เกียจนะ ให้คิดซะว่าจะตายก็ช่างมันเนี่ยเวลาที่เหลือสามสี่ห้าวันเนี่ยเราจะตั้งใจทุ่มเทเต็มที่เพื่อพิสูจน์ธรรมะของพระพุทธเจ้าถึงไม่ได้อะไรเราควรภูมิใจในการปฏิบัติเพื่ อ, อบูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐอันหนึ่งก็นี่แหละครูบาอาจารย์ก็อุตส่าห์เสียสละเวลามาพาปฏิบัติ เราก็สำนึกตรงนั้นอันหนึง่งแม่ครัวก็ต้องใช้ความพยายามทำอาหารกับข้าวมาเพื่อรองรับเราในการปฏิบัติที่สำคัญก็คือสถานที่อย่างกรณีแม่ชีนี่ได้อาศัยบ้านตัวเอง เ, เป็นสถานที่รองรับพวกเราในการมาของพวกเราเนี่ย เพื่อให้พวกเราได้พิสูจน์ไดป้ปฏิบัติพิสูจน์ธรรมะระพุทธเจ้าก็ล้วนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยวิริยะอุตสาหะหรือว่าความเห็นตรงกันความเห็นสิ่งสำคัญทางพุทธศาสนาหรือทางปฏิบัติทางมรรต่างผลเนี่ยทั้งนั้น แล้วก็มีจิตสํานึกตรงนี้ขี้เกียจก็เรื่องของขี้เกียจไปนะอ่าต้องพยายามทำปล่อยไว้ยกไว้เรื่องขี้เกียจเพราะมันมีทุกคนอก็พยายามคิดตรงนี้สํานึกตรงนี้ก็พยายามทําสิ่งไหนที่เรียกว่าทำสิ่งไหนที่ยังไม่เข้าใจถามครูบาอาจารย์ก็มีคําว่าสติระลึ ก็ลืมบ้างไม่เป็นไรเหมือนกับว่าเราล้มแล้วก็ลุกใหม่ลุกใหม่แล้วก็เดินต่อไปล้มแล้วก็ลุกใหม่ลุกใหม่แล้วก็เดินต่อไปเผลอความคิดเผลอไปแล้วก็กลับมารู้สึกตัวทั่วพร้อมอีกเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นเดินยืนนั่งนอนหรือว่านั่งยกมือนียนะการเคียวการดื่มทุกขณะแหละบางทีเราก็อาจจะเผลอไปบ้างนะเพราะว่าเราฝึกใหม่ แต่ก็อย่างไรก็ดีนั่นก็ถือว่าเราล้มไปเราก็ลุกใหม่เอาใจใส่ใหม่กลับขึ้นมาใหม่ทำใหม่ทำเนือ ง, ง, งๆทำเนืองนะตามประสบการณ์ของอาตมาที่ปฏิบัติมาเนี่ยไม่มีอะไรดีเท่ากับการทำต่อเนื่องทำต่อเนื่องนี่ยสำคัญมากถ้าเอาจริงๆยั่งยังเนี่ยหกเจ็วันเนี่ยก็ได้ผลแล้วรู้ชัดแล้วไม่สงสัยในพระพุทธศาสนาแล้วอ่า สีขาวสีแดงสวรรค์นรกตายเกิดตายศูนย์ไม่สงสัยอะ่ะไม่ต้องถามใครด้วยแต่ว่านั่นก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติที่เราเอาใจใส่จริงๆพยายามให้กำลังใจตัวเองว่าเรามีศักยภาพพอที่จะรู้เห็นสัจธรรมตามที่เป็นจริงคือธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ได้นะอาตมาก็เชื่ออย่างนั้นทุกคนเชื่ออย่างนั้น แม้พระพุทธเจ้าเองก็ยังเคยตรัสว่าเจ็ดวันเนี่ยเราสามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้นะการปฏิบัติเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เรียกว่าให้เราคิดว่าเราเนี่ยมีบุญนี่นแหละที่ได้มาทำตรงนี้นะเพียงแต่เอาใจใส่สักนิดหนึ่งกับการปฏิบัติกระชับขึ้น ให้แน่นขึ้นสิ่งไหนมันรวมกว็รวบลัดขึ้นสิ่งไหนมันรั่วก็อุดไว้อแล้วทุกอย่างก็ก็จะค่อยดีๆขึ้นจากไม่มีก็จะมีพระกําลังพละห้าอินทรีห้าจากไม่มีก็จะมีเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆเป็นบารมีสักวันหนึ่งหน้ามันก็จะเต็มพระอย่างหลวงพ่อท่านก็เรียกว่า พวกเราเนี่ยให้กำลังใจก็พยายามเคี้ยวเข็นนะเนยก็อยากให้อยากเห็นสิ่งประเสริฐที่เกิดขึ้นกับพวกเราแเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับตัวเราเองแล้วนี่ญาติพี่น้องหรือว่าครอบครัวนี่จะได้รับผลที่ดีตามมาด้วยนะเพราะว่าเราก็จะพูดหรือว่าจะแสดงให้เขาเชื่อมากกว่าคนอื่นนะ อย่างพ่ออย่างแม่เนี่ยเพราะว่าเป็นคนที่เราพูดได้ทุกเรื่องกรณีพ่อแม่เนี่นะเพราะฉะนั้นก็เอาฝากไว้นะวันนี้ว่าเป้าหมายสูงสุดในการปฏิบัติการเจริญสตินี่ก็เบื้องต้นนี่ก็ใต้ดวงตาเห็นธรรมให้รู้แจ้งตามที่เป็นจริงสัจ ธ, ธรรมตามที่เป็นจริงว่าไอ้สวรรค์นรกตายเกิดในสุนั้มันแจ้งออกมานะเราคือใครเราจะไปที่ไหนมรรคผลเป็นอย่างไรรูปนามเป็นอย่างไร ให้แจ้งออกมา